นักปฏิบัติเป็นนักศึกษานักอบรมจิตใจของเราการศึกษาการปฏิบัติต้องอาศัยหลักแห่งความจริงที่พระพุทธเจ้าค้นพบเป็นจุดยืน ความจริงนี่เองเป็นอมตะธรรมไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราไม่รู้จักความจริงนะมันก็ไปเห็นแต่สิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้รับความกระทบ ก, กระเทือนใจทุกใจเสียใจน้อยใจเกิดร้อนใจ เพราะจะนั่งความจริงมันซ้อนอยู่กับสิ่งที่ไม่จริงความสุขมันซ้อนอยู่กับทุกข์เพราะมันเป็นคู่กันจะไหนจะไรมาเหมือนกับเมืดกับสว่างเพราะมันมีความทุกข์จึงมีความสุขถ้าความทุกข์ไม่มีแล้วความสุ ข, ขก็ไม่มีไม่จำเป็นที่จะต้องมี ที่เราทั้งหลายต้องการความสุขก็เพื่อให้ดับทุกข์เพื่อระงับทุกข์เพื่อบรรเทาเทุกข์นี่เองทุกที่นีอยู่ตรงไหนเราก็พยายามทีหาความสุขเพื่อมาต่อรองกับทุกข์ให้มันบาบางหรือให้มันสงบระงับไป ถ้าทุกข์ไม่มีอ่ะความสุขก็ไม่จำเป็นเพราะทำทั้งหลายเป็นคู่กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นในสัจจะความจริงที่พระพุทธเจ้าพระองค์พกเรื่องทุกข์ท่านจิงสอนให้รู้ด้วยปริญญาญาะทาง รู้ทั่วถึงรู้รอบขอรู้่ะให้มันไม่เศ็บตรือทุกข์ในประมาณเท่าไหร่ให้รู้เมื่อกำหนดรู้ทั้งหมดแล้วทุกข์ก็เป็นความจริงเป็นสัจจะในส่วนของทุกข์แต่ทุกข์เ่านั้นไม่ใช่เป็นของที่ทาาแทนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะมันมาจากเหตุคือสมุทยเราเพียงแต่ดูว่าสมุทยัยเรดูเพียงแต่เรียกว่าตัณหาความอยากเราก็ไม่สามารถที่จะคลี่ายเรื่องเรียกว่าตัณหาให้เข้าใจละเอียดได้ตัวเนื้อหาของตัณหา นจัดไว้ตามมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตัญหาตันหาเหล่านั้นล้วนแต่เป็นอารมณ์ของจิตคือเรียวกว่าความทยานอยากมันอยากเพราะอะไร เพราะมันมีสิ่งที่เป็นปัจจัยให้อาให้หิวให้บกพร่องให้แสวงหาถ้าเราไม่มีปัญญาเพียงพอก็แสวงหาในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นวัฏตัรหมุววนวนเวียนไม่ไม่ขอบเขตที่จะเพียงพอที่จะหยุดได้ ที่จะได้ความปลอดโปร่งพองใสได้ความอยากโดยอำนาจแห่งความเพลินในสิ่งที่ไม่ควรจะเพลินความอยากโดยอำนาจแห่งความหลงติดในสิ่งที่ไม่ควรหลงติดโดยอำนาจแห่งความไม่รู้ ความจริงเพราะฉะนั้นจิตไม่รู้ความจริงนี่เองเป็นตัวสมุทยที่สำคัญมากจึงมาปฏิบัติแก้ไขจิตให้รู้พร้อมทั้งแก้สมุทยไปด้วยเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์เช้าใจไปแล้วอวิชชา ความแหย่โลสัจจะธรรมความจริงนี่เองเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารให้ปรุมให้แต่ยิ่งปรุงแต่งยิ่งเราสังขารมีมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งหลงสังขาก็อาศัยสังขารในปรุงแต่งทําให้เราหลงสิ่งที่ทุกข์กันนึกว่าเป็นเราทุกข์สิ่งที่สุขกันนึกว่าเราจะได้ความสุข เราไม่ได้รู้จากเราตามความจริงที่เข้ามาจริงๆเพราะฉะนั้นการภองนาจนถึงธาตุความจริงอนี้พิจารณาเจาะลึกลงไปตั้งแต่สังขารคือร่างกายเกี่ยวเนื่องกับเราอย่างไรเป็นเราอย่างไรตลอดถึงเวทนาความสวยทุก กำหนดดูจิตแต่เราไม่เกี่ยวข้องกับสุขกับทุกข์เราจะพยายามรักษาจิตเพียงแค่ทุกอย่างเดียวให้มันพ้นจากเวทนาเราสามารถทำได้ไหมแระพุทธเจ้าพระองค์ทำได้อริยส า, าวกทั้งหลายท่านทำได้เรียกว่าลดพ้นเรามาภาวนาก็ต้องทดลองดูนั่งให้มันพ้นทุกข์ให้มันหลุดจากเวทนาได้ไหม อยากเครื่องทรมานได้ไหมถ้าจิตสงบแล้วมันก็ลดจากเวทนาอยากอยากคือทุกข์แต่ยังเวทนาละเอียดคือความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อทุกข์ดับไปอันนี้นอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีใครข้ามได้ น่ากเกลีพระพุทธเจ้าและพระเจกัพระุเจ้าสาวกของพระองค์ท่านั้นโดยมากไปติดพวกฤษีที่ใครต่างๆมันไปติดที่สุขบางทีได้สุขอาศัยรูปก็ไปติดรูปแบบนั้นเรียกว่ารูปภพบางทีก็ไปเห็นละเอียดเพราะรูปนี้ยังหยากอยู่เลยไปติดวิญญาติดรู้ติดสัญญา ไม่เห็นทอแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ยังเห็นมาสุขทุกขยังเป็นสังขารอยู่ยังมีปัจจัยปรุงแต่งอยู่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบอ่ะไม่ควรยึดมัน่นไม่ควรยิน ด, ดีควรปล่อยวางเมื่อพระองค์รู้เท่าสังขารว่าไม่เที่ยงแล้วปัญญา ความรู้สมบูรณ์บริบูรณ์หรอือร่อกก็เกิดขึ้นอาสะวะทั้งหลายมีอาวิชาสะวะเป็นต้นเคยดองอยู่ในจิตใจก็ถูกทำลายเพราพราะองค์มารู้ความจริงอย่างสมบูรณ์การหลุดพน้นหลุดพ้นด้วยการวิธีกำหนดอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้รู้อย่างนี้เห็นชัดอย่างนี้จิต ยอมรับความจริงอย่างนี้ไม่ขนองไปอย่างอื่นไม่ปฏิเสธเห็นชัดด้วยตนของตนเองนวปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตยอมรับแล้วก็เดินไปด้วยดีหลุดพ้นไปด้วยดีตามพระองค์ดับไปด้วยดีไม่มีการเงื่อนไขและแก้ไขขอให้เราผู้ตั้งใจปฏิบัติทั้งหลายอย่าติด เพียงสุขเพียงทุกข์เพียงแก่นี้อันนี้เป็นปริยามายาของกิเลสทั้งนั้นทั้พวกของเท า, ายงมาที่เรียกว่าสมุทยัยเป็นเหตุปัใจจัยให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารธรรมะเหล่านี้ไม่มีใครสอนไม่มีโลกไหนที่เข้ามารู้นํามาสอนเลยมีในคําสอนขพระพุทธเจ้าสองค์เดียวเท่านั้น ที่เราได้รู้ได้เห็นก็เพราะพระองค์ได้รู้เห็นบอกกล่าวไว้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราไม่มีทางที่จะได้ยินได้ฟังที่จะได้มาปฏิบัติอบรมจิตใจอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเป็นผู้กระเสิร์ตเลิล้งจริงๆควรเคารพควรร่วมใจควรกล่าวไว้ควรเชื่อฟังควรปฏิบัติทำตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อกมเชื่อผลของการเรื่องกรรมดีกรรมชั่วไม่ผลดีไม่ใช่ราประโยชน์ให้ผักหลักแน่นลงไปแล้วจะได้สะดุ้งกลัวต่อความชั่วจะได้ละอายต่อความชั่วจะได้ไม่จิตจะได้ไม่น้อมไปในเรื่องที่ไม่ดีมจะได้ออกยามเด็ดขาดสนะได้ยามเด็ดขาด เรามีโอกาสมากที่เราได้มาได้อยู่อย่างนี้ไม่ใช่เป็นธรรมดาเราหาโอกาสอย่างนี้นะกำหนดอย่าปล่อยจิตให้ไปเที่ยวที่อื่นให้เที่ยวอยู่ในขันนี่แหละให้เที่ยวในมรรคคือหนทางที่ไปพุทธเจ้าพาเที่ยวอยู่นี่เที่ยวอยู่ในกายในวาจาในจิตอยู่นี่ให้อยู่ในกายนะ ให้กายนี่เป็นธรรมเป็นมั่งเป็นเครื่องดําเนินอออกจากทุกข์ออกจากขันธ์อันนี้อย่าปล่อยโอกาสไปที่อื่นไม่แต่หลงผิดทางนั่นไม่เป็นทางให้เกิดสติปัญญาอันชอบขอยเราสั้งหลายตะหนักในตัวของเราตั้งปฏิบัติโดยมีสัจจะมีอธิษฐาน ในจิตในใจให้มั่นแน่วแน่ให้มันจริงของจริงก็จะปรากฏขึ้นเกิดเราแต่เราปฏิบัติจริงจะไรรู้ธรรมะมันแท้จริงจะได้สัมผัสถึงของจริงแต่เราทําไม่จริงนะครับความจริงเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อได้ยินได้ฟังนดจดจำไว้ดีตั้งใจปฏิบัติตามแต่จะไม่ไปตั้งใจแล้ะพร